ท่นผ่อนอาตมาด้านตรงนี้ในสองสถานะสถานะหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก็มีอะไรอยาา่างมาเชื่อมกับที่ท่านเป็นชายกีนนนกรันการป็นผู้เต็มตเพื่อเราจะได้ทํางานร่วมกันในส่วนแรกอาตมาจะพูดตรงนี้ส่วนที่สองอาตมาเป็นเจ้าวาดวัดปัญญรุ่งสาวา ได้รวมชุมชนรอบๆวัเดเนี่ย6ชุมชน3ศาสนาทํางานร่วมกันจนจนอย่างนี้เนี่ยเป็นที่ไปดู ง, งานแล้วล่ะท่านรองนายกท่นคณะสักจะต่างที่ดูแลสูนทรธรรมทาา่านก็ขัาไปดูว่าทํางานเป็นย่างไรแล้วก็มันเป็นไ ป, น ป, นปนตามหลักคุณธรรม5พ่อ5ย่างกนะ้าถ้ามีเวลาจังหวัดจะพูดตรงนั้นเพ้ามันเป็นเรื่อง ชุมชนเรื่องวัดสิ่ที่ท่านหลายจังนวัดทำจะขอพูดประเด็นแรกก่อนเพราะเป็นหัวข้อของอการเสวนาภาคเ้ากา็คือเรื่องกระบวนการและหลักคิดเนื่องจากว่าเป็นคําทางวิชาการจะมาจะขออธิบายคําว่ากระบวนทัมนมารสาคัญอย่างไรและหลักคิดเป็นอย่างไรและมันโยงมาห้าพุทธรรมที่ว่านอย่างไรคําว่ากระบวนทัศน์เนี่ย หมายถึงกรอบในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติมันเป็นกรอบใหญ่ เ, เราเราอาจจะเรียกว่าเป็นปรัช ญ, ญาก็ได้เป็นเวิร์มฟิลด์เป็นโลกตะวันก็ได้แต่มันเป็นกรอบในการที่เราจะทำอะไรอยู่ในวงนี้ในในประเทศของเราเรามีอะไรเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศท่านทราบไหม เมื่อท่านเห็นคุณธรรมห้าธรรมในเวลาเขาเขียนเป็นรูปสมองคนเนี่ยตั้งแต่พอเพียงมีวินัยสุจริตกิตสาธาณะความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าพอเพียงนิยายกับเพื่อนในในสมองคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวพอเพียงเนี่ยในสังคมไทยปัจจุบั น, นมันเป็นกระบวนทัร ด, ด้วยเป็นหลักคิดด้วยเป็นอย่างไร ก็คือที่ว่าเป็นกระบวนทัศน์คือกรอบในการพัฒนาประเทศในการท่านีทั้งหมดพอเพียงเป็นกรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามฉบับมาแล้วแผนพัฒนา5ปีเนี่ยอ้างอิงออป ร, รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 แต่เพียงแต่ว่ากรอบในการพัฒนาประเทศที่ว่านะมันไม่มาเป็นหลักคิดของพวกเราผู้ปฏิบัติมันเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศเป็นพระาไดา้ทั้งหมดในการขั้นนี้หมดเลยแต่เวลาผู้ปฏิบัติมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้วาาแขน ห, หมายถึงว่าท่านชะตาทั้งหมดจนถึงตาสูงระย้าเนี่ยไม่ได้นํา ม, มาเป็นหลักคิดซึ่งต่างจากประเทศพูต่างผู้ตานทําแบบเราคิดแบบเรา แต่เขาเอาเอาเรื่องนี้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศแต่เขาเรียกคนละชื่อกระปโดยภูฏานเป็นประเทศเดียวที่ประกาศในที่ประชุมสหรประชาชาติว่าจะไม่พัฒนาประเทศ <c oughs> ในทางวัตถุอย่างเดียวจะเน้นในสิ่งที่เรียกว่าความพอดีของเราทางสายตาเนพัฒนากายพัฒนาจิต แล้วเพื่อไม่ให้สับสนภูตาลได้ประกาศต่อสาธารณชิว่าจัดประเมินผลการพัฒนาประเทศไม่ใช่ด้วย GNP แต่ด้วย GNHGNP คือ c r o s s National Product วัดความเจริญเติบโตของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอธาาิบายอาจารย์ไ่าคำศัพท์พวกนี้นะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่จะพูดอย่างประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ย เราใช้ GNP เสรษฐกิจโต 3% 4% เนี่ยแต่ปูตานบอกว่าเขาใช้ g n h Cross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศถ้าพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตแบบผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่มันไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปทำลายวัฒนธรรมไปทำให้คน แตกสามัทีทุกยากมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายกระบวนศน์ในการพัฒนาของเขาอยู่ที่พัฒนาคนให้มีความสุขแล้วก็มีตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงตอนนี้ถึงอำเภอถึงตำบลยกตัวอย่างนะมาไปไปพูดที่พูตาเนเขาบอกว่าเขาเขียนในรนัฐรัลูเลยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยของพูตาน ต า, ตามหลักคิดเรื่องเจเนเชียตต้องมีเก็บที่ดินเป็นป่าไมา้คือสิ่งแวดล้อมเนี่ย 75% ของประเทศบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอัตมาก็ถามท่านนายกกูตันตอนนี้ได้ทําท่านทําตามรัฐธรรมนูญเนี่ย 75% มีป่าไม้ได้กี่ปเปอร์เซ็นต์ของประเทศท่านบอกว่าผ่านมาห้าปีได้ 80% ในเรื่องการทำงานยกตัวอย่างเอาตัวนี้เป็นกัอบก่อนเลยให้คนมีความสุขไม่ใช่ว่าทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเกินแปดชั่วโมงเขาให้คนทำงานแปดชั่วโมงและบอกให้เขียนไว้เลยไหนะดัชนีวัดความสำเร็จในเรื่องความสุขอยู่ที่คนนอนคืนละกี่ชั่วโมงเขาบอกไว้เลยในในแผนชาติเขาเนี่ยให้นอน คืนละ8ชั่วโมงแล้วอาตมาเขาก็มาแสดงเลยว่าตอนนี้ได้ 8.2 แล้วห้างสรรพสินค้าห้ามเปิด24ชั่วโมงห้ามเปิด7วันต้องมีวันหยุดแต่ละห้างใหญ่เนี่ยเพื่อให้คนได้พักเมื่อมีความสุขเมื่อมันเป็นกระบวนทัศน์อย่างนี้ทุกอย่างมันจะถับเคื่อนไปอย่างนั้นเลยในการพัฒนามันมันจะมีแผนย่อยหลักคิดต่อต่อต่อ ต, อตอกันมาทีนี้เวลาเราพูดถึง ประเทศไทยที่เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเราอยู่ในกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคําว่าพอเพียงซึ่งเป็นุรธรรมหลักหน้าของท่านเนี่ยในในส่วนของวัฒนธรอกชนปรัชญาธรรมแห่งชาติกดีหรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมปรัชญธรรมแห่งชาติกดีเรากำหนดไว้สี่คำซึ่งมันสอนท้องกัของท่านกันเลยพอเพียงวิัเนศจริตจิตอาสาของท่านเรียก เจสาทะนะที่ทีนิดไอ้สี่คำเนี่ยบันเอิญว่ามันเป็นมนติพลรมองไปแล้วอยู่ในแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรแห่งชาติ5ปีตั้งแต่ปีห้าถึง64ทีนี้ถ้ามันขับเชื่อมเป็นโคนละทางเนี่ยแล้วมันไม่บูรณาการด้วยกันเนี่ยมันจะมีผลน้อยไม่ใช่เราแยกานนทางคนละทางสองทางคนละตุ๊บคนลตั๊บเนี่ยจะมา เ, าเป็นห่วงทีนี้ขอพูดต่อไปเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ เรื่องแผนไ อ, อ้เรื่องคุณธรรมที่ว่าพอเพียงเนี่ยมาอยู่ในห้าคำด้วยแต่การเขียนตัวใหญ่แล้วมันเป็นกระบวนทัศน์ซึ่งทำเต็มก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นแหละเป็นกระบวนทัศน์ใหญ่สุดที่ท่านสมเมศดิท่านใครก็ใครพูดถึงกันอยู่มันเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศแล้วมีรายละเอียดเป็นหลักคิดมากมายทีนี้ เรามาดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายของกรอบในการพัฒนาประเทศที่ว่าเนี่ยคืออะไรเขาอยากจะโยงรางวัลที่รัชการที่เก้าได้รับทุนถวายจากสากลประชชาติชื่อว่าเป็นรางวัลเนี่ยความสำเร็จตลอดชีวิตของพระองค์ท่านชื่อว่า human development การพัฒนาคน ท, ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนานะสากประเทศย่อมทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา และพัฒนาอะไรพัฒนาคนถ้าพูดในภาษาวิชาการก็คือ empowerment ซึ่งมันครอบคลุมที่ท่านจะเตรียมคนไปสู่สัตรวรรัตถิเศษเนี่ยเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถคถาัาทำนการเรียก empowerment ของจ e n ชาช t ให้ให้เพิ่งตัวเองได้ในทางสเกลความรู้อะไรต่างครอบครัวสังคมสรุปแล้วงานทั้งชีวิตของราชการที่เก้าโดยปยัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เน้นการพัฒนาคนคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพัฒนาให้มีความสุขและจะให้มีความสุขได้ต้องรู้จักพอเพียงซึ่งมันก็จะมีคำว่าพอเพียงเนี่ยเอามาเป็นคุณธรรมด้วยแต่ว่าพอเพียงในฐานะปรัชายก็จะมีการขยายมีภูมิคุ้กันมีอะไรตว่ากันไปเป็นระบบแต่พอเพียงในฐานะคุณธรรมจะมาให้สามขับหนึ่งพอดี พอดีคือทางสายกลางเป็นการพัฒนาที่พอดีอทั้งกายทั้งจิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรนี่ก็เรียกบัชีมาทางสายกลางข้อที่สองพอประมาณามัตตัญญุตา่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม <c oughs> วิธีการที่เหมาะกับหมู่บ้านยืน อ, อยู่บญฐานตัวเองที่ท่านพูดอย่าไปเป็น น, นี่รสิ่งนี่มันคือพอประมาณ ทีนี้คำว่าพอประมาณนี่แหละที่จะต้องขยายเพราะว่าถ้าคนเป็นติดอยู่คำว่าพอเพียงคือพอมีพอกินเนี่ยนะซึ่งมันเป็นข้อที่สามเนี่ยเอาข้อที่สาก่อนคือพอใจพอใจนี่คือความสุขท่านเป็นเป้าหมายของการพัฒนาแต่บังเอิญว่าภูตาลไปเล้นตัวพอใจแต่ในหลวงเราเน้นสารผลมัชฌิมาปฏิปทาพอดีมัตตัญญุตาพอพอประมาณพอเหมาะสม และพอใจคือความสุขถ้าท่านเรียนในพุทธศาสนานี่ความสุขของชาวบ้านมีสี่อย่างนะหนึ่งอัคีสุขสุขจากการทำงานมีทรัพย์สองโภคสุขสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคอย่างพอเพียงพอมีพอกิน 3. ามอนัตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้เป็นสินยือยื่บป็นขาตัวเองและสอนัวชสุขสุขจากความซื่อสัตย์สุจริต และในสี่สุขในพุทธนายกย่องความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดเพราะถ้าท่านโกงงเขากล้นเขานอนไม่มีความสุขกินไม่มีความสุขโจรก็ต้องหนีตำรวจตลอดเวลาไปโกงเขามาเป็นข่าเนื้อดำโดนด่าทั้งปีทั้งชาติต่อให้รวยเป็นแสนล้านมันก็ไม่มีความสุขนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าข้อสุดท้ายในสุจริตนี่แหละเป็นก็เป็นฐานของอนวคตจะสุขเนี่ยเราเป็นฐานของความสุขทั้งหมดทีนี้ถ้า บังเอิญเนี่ยนะเราไปตีไปเน้นอยู่แค่พอประมาณนี่แหละพอดีพอไอพอดีเราไอากายแต่ก า, า, ารพัฒนากายให้มันสังการวัฒให้พูดเราไปเน้นพอประมาณก็คือพอมีพ อ, อกินในที่สุดแล้วแล้วพวกเศรษฐีล่ะพวกพวกที่อยู่ในระดับที่ว่ามั่งทั่งล่ะเขาจะพอเพียงแบบไหนมันก็คือเขาก็มีสิทธิ์นะที่จะทําอะไรนั่นพอดี ของเขาพอประมาณของเขาเขาลงทุนเยอะกว่าเราเขาเพราะเขามีทุนมากกว่าเราแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งประเทศมันไม่ใช่มาพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจภาคเกษตรอย่างเดียวเกษตรอุตสาหกรรมรวมไปถึงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันหมดเลยแต่อย่าไปหลงประเด็นโดยเอาการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นตัวตั้งเองคนเป็นตัวตั้ง แล้วมันก็จะมเมื่อเอาคนเป็นตัวตั้งมันจะมาถึงว่าแล้วคนที่พึงประสงค์จะต้องมีคุณลักษณะเช่นใดแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวิเคราะห์สภาพสังคมที่ท่านว่ามีปัญหาไม่ดูแลตัวเองอะไรต่างที่ท่านประธานในการทำเลื่อดบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดเราก็เลือกเอาคุณธรรมที่มาปุดช่องโหว่ช่องว่างอันไหนที่เรามีดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทํามากอย่างเช่น คนไทยที่กตันยูนั้นไปดูวันสงกรานเนี่ยนะไม่ต้องไปเน้นเรื่องกะตันยูเลยนะทางตะวันออกเนี่จีนไทยนี่นะกะตันยูกะตันยูต้องไปสอนฝรั่งโน่นเนี่ยอันนั้นเขาต้องไปรดน้ำลงไม่ใช่เอาพ่อแม่ไปทิ้งอยู่ในบ้านพักคนชราอย่างที่โน่นพวกคนสูงอายุขึ้นเนี่ยเราก็มาเน้นว่าสังคมไทยเนี่ยถ้ามันจะอยู่รอดมันรุ่งเรืองต่อไปเนี่ยมันควรจะมี ลักษณะอะไรบ้างตั้งแต่ท็อปเลยนะจนถึงหมู่บ้านอบตอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่ในในส่วนที่ท่านว่าในห้าคําในส่วนของคณะขรงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างท่าสี่ขัมแต่ผมจะพูดตรงนี้ว่ามันมันโยงกันยังไงก่อนแล้วแล้วก็จะจบช่วงนี้แล้วจะไปพูดเรื่องระดับป ร, รัชญาที่วัดเทียนธรมธรรม ท, ทีหลังว่าเราทำห้าขัมอย่างไร4ี่ขัมอย่างไรแต่ประเด็นนี้ก่อนนะเพื่อให้ให้เห็นว่ามันบูรณาการเชื่อมโยงกัน หนึ่งกระบวนการทัดใหญ่เนี่ยคือปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงสองหลักคิดหมายหมายความว่าเวลาเราพัฒนาคนมันจะเป็นหลักในการอ่านเองว่าตออนี้มันเข้าเรื่องสุจริตไหม ม, มันเรื่องจิตสาธารณะไหมยอย่างที่ท่านสองท่งทานพูดเนี่ยมันนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไหมทีนี้หลักคิดตรงนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยคำว่าพอเพียงก่อนทําไมจึงเอาคําว่าพอเพียงมาพอเพียงคือมีความสุขครับพอใจ พอประมาณทางสายกลางแต่เน้นเรื่องอัตตาวิสัยในในฐานะที่เป็นคุณธรรมเนี่ยมันเป็นอัตตาวิสัยพอเน้นเรื่องความสุขใจเนี่ยพอเรามีความพอเพียงคือมันเต็มคนจนมันมีสอประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยพ้นขีดความยากจนเพราะไม่มีไปแล้วธนาคารโลกเขาจัดอันดับประเทศไทย กับมาเลเซียเนี่ยเราพัฒนาจนไม่มีเอ็กซ์ตรีมพัวนะจนสุดเขตไม่มีแล้วจนปานกลางคนไทยเหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็ตอนนี้เราพ้นเขตความยากจนทั้งประเทศเลยนะธนาคารโลกประกาศแล้วเมือ่อเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่พ้นเขตขีดความยากจนเพราะฉะนั้นเมื่อไปทําทะเบียนคนจนทาไมมันเป็นสิบล้านเนี่ยในทั้งที่ธนาคารโลกเมื่อประกาศไปแล้ว เราพ้นขีดความยากจนแต่มันไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหมายความว่าถ้าเจอน้ําท่วมภัยแล้งมันจนกลับไปอีกไฟไหม้จน อ, อันนี้เยอะแล้วส่วนที่มั่นคงแล้วนี่ก็เยอะรวมแล้วนี่นะเรามีประเภทที่พ้นขีดความยากจนมีความมั่นคงแล้วก็ทางเศรษฐกิจเนี่ยและไม่มั่นคงบ้างเนี่ยเกือบหกสบเซน์ของคนในประเทศไทย คือพน้นความยากจนแต่มีสิทธิตกไปอีกและที่จนที่มั่นคงแล้วพอพอมีวอมีอมนเนี่ยประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีชนชั้นกลางเนี่ยเพิ่มเข้ามาชนชั้นกลางนี่คือ อ, อย่างที่เขาจัดว่ามีรายได้ตั้งแต่8 0 0พถึง 1,000 10, งื่นต่อเดือนอะไรเงี้ยมีถึง 35% ารที่ธนาคารโลกบอกไว้แต่มาเลเซียมี 60% ชนชั้นกลาง ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องเอาทั้งหมดว่าด้วยกันไปด้วยกัรมาต่อไปเมื่อคนเนี่ยจนเพราะไม่มีมันมันเกือบจะไม่มีแหละมันเป็นจนเพราะไม่พอคือไม่พอใจไม่มีความสุขในความหมายข้อที่สามมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันถึงเป็นหนี้เป็นศินเป็นครูที่มีเงินเดือนเป็นชนชั้นกลางแต่ครูก็มีหนี้สินยศนะไม่รู้เกี่ยวกับอบอตอด้วยหรือเปล่าสรุปแล้ว มันเป็นหนี้กันเยอะเลยอันนั้นสุขสุขข้อที่สามสุขจากการไม่มีหนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของปศศัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะขอตอบทีนี้ถ้าจนเราไม่มีไอจนเขาไม่พอเนี่ยมันจึงจะต้องมีเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำไมพูดำคำเขาเรียกภาษิตเขาบอกว่าความไม่พอใจจนเป็นคนแข็งพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้ต่าง ต้องคิดหานแก้จนเป็นคนพอพอท่านพอแล้วเป็นยังไงท่านมันก็มาถึงจิตสาธารณะพอเพียงเป็นตัวตั้านก่อนตัวที่หนึ่งให้รู้จักพอกันอย่าไปจนเพราะไม่พอให้รู้จักพอเพราะมีความเพียงพอเนี่ยมันหมายถึงจิตสาธารณะมันจะต่างมาเพราะอะไรเวลาเราเราทํางานเพื่อประโยชน์เพื่อเงินเดือนเพื่อผลตอบแทนเนี่ยคําว่าประโยชน์มันมีสามอย่างนะ หนึ่งอัตถะประโยชน์ส่วนตนสองประรัฐะประโยชน์คนอื่นสามอุพยัตถะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งของเราของเขาเรียกว่าประโยชน์ส่วนรวมทีนี้ถ้าเราไปอธิบายว่าประโยชน์ส่วนรวมคือไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยากนะครับยกตัวอย่างถ้าเราไม่ทิ้งขยะทิ้งขยะให้เป็นที่ เ, เราถ้าเรามีจิตสาธนรณะมันหมายถึงอะไร เราหมายถึงว่าชุมชนสะอาดมีความสวยงามแล้วใครได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมชุมชนก็ได้ประโยชน์มันคือประโยชน์ส่วนรวมรวมประโยชน์เราประโยชน์เขาสมัยใหม่เขาเรียกวินวินนะมันต้องเป็นวินวินซิชูเอชชั่นถ้าเราเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์คนอื่นมันเป็นลูซวินเราเสียเขาได้ชุมชนได้ แต่จริงๆเนี่ยถ้าเราซื่อสัตย์จริจริงเนี่ยนะเป็นเป็นข้าราชการที่สนิทเราก็ได้ประโยชน์ไม่ไม่ถูกฟ้องไม่ถูกติดคุกมีความสุขแล้วส่วนรวมก็จเจริญบริษัทก็จเจริญที่ ท, ทํางานก็จเจริญแล้วพอจเจริญเนี่ยผลประโยชน์มันตกแกเรานะเพราะบริษัทของเราจเจริญหมู่บ้านเราจเจริญเนี่ยมันไปด้วยกันจิตสาธารณะเนี่ยมันจะเกิดเมื่อมองประโยชน์เขาประโยชน์เราเนี่ยเป็นเรื่อง ข, ขุงการแต่ อย่าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวตั้งเอาประโยชน์ทั้งหมดและให้โยงถึงกันให้ได้ทีนี้จิตสาธารณะมันมันนำไปสู่อะไรเมื่อมีความระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยอย่างที่เป็นเป้าหมายของท่านเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด ว, ว, วินัยคาว่าวินัยไม่ใช่ศีลนะท่านนะท่านสังเกตไหมพระรักษาศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นวินยัยวินัยบันยัด แต่ชาวบ้านรักษาศีลห้าข้อไม่เรียกวินัยอ่ะมันคืออะไรคือความแตกต่างตรงนี้แหละเราจะต้องอธิบายให้ดีบางคนเป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่ไม่มีวินัยเออดีเพราะไม่อะไรเล่าไปกินบุหรี่ไม่สูบอะไรก็ว่าไปไม่โกงฉันดีแต่ไม่มีวินัยวินัยคืออะไรท่าน วิัยเนี่ยมันหมายถึงกฎสําหรับฝึกหัดคนทั้งหมดในสังคมถ้าให้คนส่วน ร, รวมเนี่ยทำอะไรเหมือนเมือนกันเขาเรียกวิยัยถ้าให้คนทําอะไรส่วนบุคคลเขาเรียกศีลเพราะฉะนั้นศีลห้าไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วเวลาท่านสมาทานท่านสมาทานวิสุขวิสุขนะแยกกันคนละข้อนะถ้าขาดข้อหนึ่งในศีลห้าเนี่ยอีกที่เหลือยังอยู่ เอาทักเกิดเราไปอยู่ด้วยกันในครอบครัวสามีภรรยานะไปวิสุงวิสุงภรรย า, ารักษาสี่ท่าพ่สามีบอกวิสุงยกเว้นข้อการ ม, มีภรรยาน้อยได้เนี่นี่ขาดอะไรขาดวิัยของครอบครัวคําว่าวิในต้องเหมือนกันเท่ากันมันจึงจะอยู่ได้ฉันซื่อสัตย์เธอซื่อสัตย์อันนี้เป็นข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันก็คือกติกาที่คน บูมมากรักษาทําเหมือนเมือนกันเขาเรียกวินัยถ้าส่วนตัวเนี่ยมันเป็นศีลทําไมเราเรียกวินัยทหารอ่ะเพราะเวลาทหารทําอะไรเขาทำพร้อมกันหมดวินัยข้าราชการทุกคนต้องทําแต่ส่วนตัวอาจจะมีลักษณะคนละอย่างคนไทยเมื่อไม่มีจิตสาธารณะไม่นึกส่วนรวมมันก็ไม่ทําอะไรที่มันเป็นวินัยทําอะไรได้ตามใจคือไทยแท้นั่นแหละแก้ตรงนี้เลยมันถึงได้ขับรถ อะไรก็ได้เคยขับควายอยู่ในท้องทุ่งอย่างไรมาขับรถมันก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันขาดควาสมสานึกส่วนรวมมันก็ไม่เลยไม่รักษากฎหมายไม่ไ ม, ไม่มันหลายมาตรฐานอะไรที่ท่านพูดมันโยงถึงกันหมดเลยจากจิตศาสนามาเรื่องวินัยแล้วพอเราเนึกถึงส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมทำไมชอ่องออกไปเป็นของส่วนตนโกงอ่ะป่าไม้ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินึกถึงว่าเป็นของเราหมดนึกจะตัดไม้นึกจะอะไรต่างครั้นนี้มันเป็นของส่วนรวมมันของประโยชน์เราประโยชน์เขาผลตกต้องตามฤดูกาลที่ท่านพูดวันนี้เพราะท่านไปไปตัดไม้ทํำลายป่าไม่ตัดไม้ทํำลายป่ามันได้ทั้นประเทศน้ําท่วมเพราะอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าท่านนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีวินยัยมันจะสุจริตไม่โกงไม่ทุจริตไม่ทําลายสิ่งที่เป็นส่วนรวมมันจะตามมา แล้วก็ทีนี้มันก็ออกมาเป็นจิตสธาธารณะที่ออกมาเป็นจิตอาสาไงจิตอาสาหมายถึงอะไรเมื่อท่านรู้สึกเต็มเราจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของคนอื่นเป็นที่ตั้งแล้วอยากจะแบ่งจะปันอยากจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทั้งจริงเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยในเวลาที่เราออกไปทําอาชีพ ท, ที่พวกที่จิตอาสากลางคืนเนี่ยที่เราเห็นข่าวในฝ่ายสํานักเขาไปลอบคล้องเนี่ย บ้านเมืองสะอาดสะอ้านใครได้ชื่นชมเราเองด้วยมันจะต้องมีความรู้สึกไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนตอนแต่ส่วนรวมได้และทำร่วมตันและอีกระการหนึ่งมาถึงแต่นี้ความรับผิดชอบที่ท่านพูดถึงสรุปในประเด็นนี้เนี่ยสมาสรุปว่าพอเพียงมีวินนันสะนะุจริตจิตศาสนาความรับผิดชอบเนี่ย มันโยงถึงขั้นบทมีฐานของความพอเพียงนี่ประเด็นหนึงที่จะมาพูดแล้วทีนี้ประเด็นที่2ก็คือคุณธรรมที่ท่านเสนอเนี่ยห้าฝ่ายคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติเป็นมติครมอนนี่สีอธิบายให้อธิบายแบบเดียวกันนะหนึงมันเชื่อมโยงกันอย่างรายเพียงแต่ว่าจิตอาสาจิตสำน้าเนี่ยมันเน้นคนละจุดขนาดแต่มันเลือดเดียวกันคือเห็นประโยชน์3 ส, ส่วนเนี่ยแต่ว่าอุปยัตต์เนี่ยประโยชน์สรวมสําคัญแล้วก็มีการช่วยเหลือที่เขาใช้สโล แ, แกนว่า ทำดีด้วยหัวใจแหะไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละแล้วการอาสาบังเอิญไปเน้นจิตอาสาเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะอาสาหมายถึงไม่มีใครบังคับเขามีไนายะตรงนี้ไม่ใช่เกณมาจิตอาสาที่มาได้เต็มใจมาเลยไปเน้นคำว่าจิตอาสาพูดมุ่งถึงที่ฉันมาเนี่ยนะฉันไม่ได้หวังผลและฉันไม่ได้ถูกบังคับเ้าเลยไปเน้นจิตอาสาแต่ที่จริงฐานเดียวกันหมดจิตสาสาระเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งตรง ก, กัน มาถึงคำว่าความรับผิดชอบเห็นด้วยที่ว่าคนคนเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการกระทำทำพูดของตนเองของสังคมส่วนรวมอะไรต่างของต่อคนอื่นทีนี้คำที่ที่รวมกันเมื่อกี้ท่านท่านเทียนฉายพูดถึงคำว่า integrity กับ p o bon e i t y นมันอยู่ในคำว่ า, าสุจริตแล้วก็มารวมสุจริตเนี่ย มันมีคำคำหนึ่งทนะีท่านเนดีได้คุณธรรมพื้นฐานสี่ประการที่ในหลวงราชการที่เกเสนอเนี่ย ค, คำแรกคือสัจจกจริงจันจริงใจจริงวาจาไอ้ตัวสัจจเนี่ยมันรวมสุดจริตรวมความรับผิดชอบอยู่ด้วยกันแต่มาเป็นคำเหมือนคเหมือน integrity อ น, น, นะอ่า honesty เนี่ยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์ตอ่อคนอื่นเราก็รับผิดชอบมันจะตามมาทีนี้ ทำไมคาว่าสัจจะเนี่ยความจริงเนี่ยนะมันรวมสุจริตและความรับผิดชอบแต่เราไปเรียกสุจริตเพราะว่าสัจจะนี่หมายถึงความจริงหนึ่งจริงจังสองจริงใจสามจริงวาจาจริงจังคือจริงต่อหลักการต่อเป้าหมายต่อป i ิศิโพนทรีกิตี้อันที่สองจริง จริงจังและก็ทําจริงเหมือนกับไม่หน้าไหวหลหรอกก็คือสุจริตและส่วนจริงวาจานี้คือพูดจริงทาจริงสัญจาเนี่ยนะรักษาสัญญาเหมือนรับผิดชอบแในการการทาเนี่ยเมื่อประกาศว่าจะทําอะไรเราต้องทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจริงวาจาจริงใจนี่หมายถึงความอันสซี่เน่ยไม่ใช่ปากอย่างใจอย่างความซื่อตรงมันจะมีคําที่ รวมกันเนี่ยในกรณธรรมรื่นฐานสี่ประการทาแรกเนี่ยสัจธรรมะคติจารคะเนี่ยนะตัวสัจจ์แต่เราเพื่อเลื่อกจับปัญหาสังคมไทยทุกวันนี้มันปัญหาเรื่องทุจริตเราก็เลยเอาสุจริตไปเลยแต่อยากให้เตะความสุจริตเนี่ยให้มันครอบคุมสัจจ์มันมีมันมีประโยคในพุทธภาษิตอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งรวมถึงเรื่องนี้หมดทำมันจะไปสุจริตหบุคคลควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต ไอ้ตัวหน้าที่ให้สุจริตนี่แหละมันหมายถึงความซื่อสัตย์เพราะว่าเราจริงจังต่อหน้าที่ธรรมะเนี่ยนะธรรมันจะเนสุจริตต่งเนี่ยเราก็สุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตด้วยจริงจังต่อเป้าหมายต่อหลักการด้วยปฏิบัติให้สุจริตคือรับผิดชอบด้วยมันจะอยู่ในนั้นเลยนะในเพราะฉะนั้นตีความมันอยู่ที่ตีความให้ตรงกันดังนี้แล้วเราก็จะมาพูดเรื่องเดียวกันหรือ หรือเราจะพูดกันตามที่เราตั้งหัวข้อแต่ให้หมายรวมเท่ากันมันก็จะถัดเคชื่อมทั้งประเทศไปเรื่อยๆรอบแรกอมาเทลิกกันค่ะขอบคุณคุณเจ้าแนวสุขขาที่ขยายความให้เราเห็นความสำคัญแล้วก็สาระของค่าคำนี้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างระบบฐานเราตก็หนักชิดที่จะต่อเนื่องต่อไปนะคะเราได้เห็นถึง มุมมองหรือกรอบนคิดถึงความพยายาของชุมชนที่จาประการหลัที่ต่อ น, นี้แล้วนะคะค่ะคุณพินาศ่าในภาคเอกชนบ้านในการที่จะสร้างระบทัศน์แล้วก็หลักที้หลอนนี้ให้เกิดขึ้นได้ค่ะคุณพีนาช่าเราพิจารอย่างไรบ้างคะการรัฐการภาษานะคะเ่าต้องขอกราบข อ, ขอ ขอบพ้ะคุณพระสันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้ถ้าได้ลได้เสนอความได้ไดไดะะให้บุคคลระสังในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะคะ<า>แล้วก็ระคิด ก, กระบวนการของคนไทยนะคะนี่เนยจะขอเริ่มต้นว่าเน้นได้ฟังอาจารย์เพียฉายนะคะที่ปูเรื่องของกระบวนการและระคิดนี่นะคะแล้วก็รูสะะ้สึกว่ามันโด น, นะคะคือต้องเรียนว่ามีเพื่อนชาวอังกฤษหลายคนนะคะ เขาเวลาเข้ามาเมืองไทยเขาชอบเที่ยมเมืองไทยมากค่ะแล้วเวลาเขาไม่เห็นคนไทยเนี่ยที่ไม่มีวิ น, นัยที่ไม่เครเารพกฎจราจรที่ชอบขับรถแซงคิวหรือขี่มอเตอร์ไซค์บนทุ่บ่าธรรมดาดตดนคนเดินถนนคนเดินทุ่ง่าเนี่ยคือไม่รู้ว่าถูกรุกรีดหรือว่าคนไทยที่ corruption ขี่โกงเขาเขาเรียกแบบนีงงค้ค่ะว่าไทย mm. แล้วเวลาเขาพูดอยแบบนี้เขาบอกว่าโนไทยจูงม เจ็บปวดวัยารเทียมก็คือเจ็บปวนะคะเราเป็แบบนันไได้ยั น, นะคะก็เอ น, น, นเราได้ฟังเรื่องของหลักคิดแล้วก็กระบวนการที่เราจะมาช่วยการเช็คนไทยให้ปรับเปลี่ยนใหม่ น, น ะ, ะเป็นแบบที่น่าจะเป็นในวันนี้ว่าในอนาคตนะคะยัได้ฟังท่ารธรอาจารย์แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เกียรติใช้ในปูพื้ เอาไว้วามต้นทึ้นมาเลยเดียวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องขององค์กรเอกชนนะคะนี่จะขอริ่าเรียนท่านผู้มีเก่ยนะคะว่าเอ่อมต้นจาก S.C.C. ค่ะ S.C.C. ก็คือกูซิเมนทยนะคะซึ่งปัจจุบันเรามีอายุ1นึร้ยปีค่ะเราเป็นองค์กรที่ก่อขึ้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าตัวราชชที่6กนะคะที่ส่งพระราชดำริย่างพัฒนาประเทศโดยการที่ผลิต ปูนซีเมนที่ใช้เองแล้วก็ถ้าท่านสังเกตว่าหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าหลุยราที่6กจบจนปัจจุบันนะคะก็เลยทำให้เรามีวัตถุดิสําคัญในการพัฒนาประเทศก็คือปูนซีเมนเราก็เลยสร้างถนนสร้างอาคารสร้างสะพานสร้างอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ประเทศเราเจริญและกพัฒนาขึ้นในทางกายภาพนะคะแล้วก็ปัจจุบันบริษัทของเราเนี่ยนะะก็เรียกว่าเป็นบริษัทของคนไทย น่าจะเป็นร0 0ยปอรเซ็นต์คนไทยที่บริหารจัดการดูเป็นหลักนะคะสิ่งที่เรามองก็คืออ า, อาจจะต้องให้ข้อมูลนินึงค่ว่าบริษัทนไทยซึ่งนเราเรียกว่ า, วา c เ c ชเนะคะเรามาีบริษัทในคืออยู่ประมาณ300บริษัทนะคะเรามีโรงงานอยู่ประมาณสัก200กว่าโรงการทั้งในปร ะ, ประเทศไทยแล้วก็ในที เราจะมีโรงงานปูอยู่หกประเทศในประเทศไทยในกาบูชาในลาวในเลนนาในอินโดนีเซียนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็น่าจะขยายไปครอบคุมประเทศในภูุมิภาหอาเซียนซึ่งมีภูมิมประเทศมี่วัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยนะะเรามีพนักงานอยู่5้าหมื่เจ00คนนะคะซึ่งในช่วงตันนี้นะคะ สอนในสาก็คือสามหมนกคน็คนไทยอีก15พันคนเป็นคนไทในอาเซียนนะคะเน้นอยากจะขอม่าว่าเรามีความคิดที่สอนคล้องกับกระบวนการที่อาจารย์เฉยฉายไกิดหลางไรนะคะแล้วก็เรามีหลักคิ่อย่างไหนะคะในการที่เราดูแลผู้พิทักองเราแล้วก็คนที่เป็นพนาคาของเรา5้ามกคนนะคะให้สอนคล้องกับ การที่จะเป็นคนไทยที่สังคมต้องการนะคะในในมุมของเอซีนะคะเรามองว่าเราเป็นอุตสาหกรรมนะคะเวลาท่นผู้เขีนไปถึงธุรกิอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมเนียมันมันดับลงได้ด้วยจากเครื่องจักรนะคะ้าอย่างนถ้าหากว่าบริษัทที่มีเครื่องจักรถ้ามีเงินไซื้อเครื่องจักรแล้วมาทำสินค้ามันก็จะเหมือนเดยกนะคะเราก็คงจะไม่มีความแตกต่างจากนอื่น แต่สิ่งที่เราจะต่างจากคนอื่นได้ก็คือเราเป็คนที่แตกต่างจากคนอื่นและก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะสามารถทําให้องค์กรเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตกด้และก็ยั่งยืนได้อันนี้เป็นแนวคิดของเอ c ที่ได้รับการถ่ายทอดและก็ปลุกฝังมาตั้งแต่ระดับบนนะคะผู้บริหารไล่ลงมารจ้าพนักผู้บริหารก็ไล่ลงมาในทุกๆรุ่นแล้วก็มีการส่งต่อการรุ่นต่อรุ่นจน เรามาอยู่ถึงร้อยห้าปีในวันนี้นะคะดังนั้นในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าวัฒนธรรมเรื่องที่สําคัญวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยเวลาที่เรามองก็คือว่าเรามองว่าที่สําคัญที่สุดแล้ว่าเราจะเป็นธุรกิจธุรกิจก็คือต้องไปมุ่งที่สร้างผลกำไรแต่มัาก็ไดเป็นส่วนเึ็นของธุรกิจสิ่งที่สําคัญที่สุดของธุรกิจก็คือพนเพรานดังนั้นมองว่าองค์กรก็คือขับพนักานถ้าจะทำให้วัฒนธรรมขององค์กร ความให้ตัวกิจเรายื่อนยืดสิ่งที่าต้องทก็คือทําให้ลักเราเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะอัน้วเ็นแนวคิที่เราคีดว่าเป็นบทส่ายของกรองเราทีนี้ถ้าหากว่าเราเราเริ่มต้นนะคะถ้าว่าเราเริ่มต้นมองโครงสร้างของธุรกิจแล้วก็เป้าหมายของธุรกิจนะคะ เราก็ชอบเรื brasile, ่องที่วิสัยท <ino> ัศน์ขององค์กรนะคะว่าเรามีองค์กรเพื่ออะไรนะคะแล้วคนในองค์กรเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะคะวิสัยทัศน์ขององค์กรเราพูดไว้สั้ๆง่ายๆนะคะว่าเราจะเป็นผู้นําธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนั่นก็คือเราไม่ได้มองแค่อนาจเตประเทศไทยค่ะแต่เรามองว่าทำอย่างไรองค์กรเ c ชดีซึ่งเป็นองค์กรของคนไทยนะคะจะสามารถขยายธุรกิจไปในอาเซียนแล้วก็เติบโตอย่างตั้งยืน เติโตยัางยืนก็น่อนก็มีพื้นฐานของความพอเพียงพอดีพอประมาณคนของเอสซีซีต้อเป็นคนที่มีควารู้มีคนที่มีนิยมธรรมนะคะซึ่งเรามองว่าในกฎยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยเราจะมุองส่งได้หลักๆนะคะก็คือการสร้างมัตรฐาเป็นด้านแรกเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเรายั่งยืนสามารถที่จะสร้างราได้สร้างการแข่งขันกับคนอื่นได้นะคะ แล้วก so, uh, so um. ja ็อ yeah. yes. ีกด้านหนก็คือการกับทำาอย่างืนะคะนแรกเนี่ยด้านรอะการนะคะก็เอ่อางท่าจจะคอนึถึงนะว่าเอ่อเเนี่ยเรามีการสร้างร้เอ่อสร้างระการใหม่ขึ้นมาหลากหลายอย่างนะคะในอดีตท่าอาจจะนึกถึงเ c ชแล้วถึงปูนที่ใช้ก่อสร้างตึกเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีปูนหลาหลช่ะเรามีปูนไม่ใช่แค่สีขาเรามีปูนทุกสี ที่ท่านสามารถเอาปูนเหล่านี้มาฉาแล้วก็ต้องทาสีก็ได้ทาเฟสเชอในตัวปูก็ได้นะแล้วก็เราทำวัสดุตัวสร้างต่างๆเรามีบ้านกระดาษคาลาเรามีบ้านที่อยู่สบายเรามีบ้านที่เหมาะกับอุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคจะน้ร้อนห้าหนาวหน้าฝนเรามีบ้านปรับตัวได้และขึ่คงได้ไปไว้สักกาเครื่องบสมศพ แล้วก็ได้ไปทดลองใช้สุขาเพื่อประชาชนของ S อสนะคะที่ตั้งอยู่ที่สนามหวงนะคะเราใช้เวลาทําทสุขาที่ถูกสุขาอนามัยใช้เวลา3วันนะค ะ, นะคะแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะเ้ารับบริการได้ครั้งละ40คนนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายสุขาอนามัยด้วยอันนั้นก็เป็นนวัตกรรมต่างๆที่เราสรร้า ง, งขึ้นเรามีธุรกิจที่เป็นพลาส แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำแค่กระบังโอบอะไรนะคะซึ่งมันส่อนการแข่งขันในสิ่งที่เราทำก็คือเราทำพลาสติกที่เรียกว่าเป็น medical plastic ก็คือพลาสติกที่ใช้ทำไซริงถวงน้เกือบิงยาพวกนี้นะคะหรือว่าผ้าปูเวลาที่หมอผ่าตัดนี่ผ่าตัดซึ่งทาให้เราลดกา่นําข้าสิเหล่านี้ค่ะจากตาประเได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะก็เรียกได้ว่าทาให้เราไทย ใช้วัสดุเหล่นี้ในราคาที่ถูกต้องแล้วก็อยู่แต่งพอเพียงพอดีแต่งพอเราได้โดยในองกรเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นมุมของการทาธุรกิจนะคะที่ยจะเริ่มตรงนี้ก่อนเว่าธุรกิจนั้นก็ต้องอยู่การที่สร้างรายได้สร้างการแข่งขันได้แล้วก็มีความแม่นยำก็คืออยู่ปรับปราได้นะคะที่การที่เราลงแบบนี้ก็มีการสร้างกระบวนการของคนในองค์กรให มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกได้ซึ่งเดือนนี้จะกระตุกอ่านนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเราเรียนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นก็คือเรามองว่าถ้าสังคมอยู่ได้เราก็อยู่ไมด้ค่ะไม่มีใครสื้อของบ้านาค่ะถ้าสิแค้าทองอยู่ไม่ได้ s อสซก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้อทช่วยอีกได้ๆหนืองจังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าภา่นางน่าเถือมากภาพโรงงานของเรานที่อยู่ที่ลาปาซึ่งได้อิเือประมาณคสบปีน่น เร้องลงงานฤกษ์สิ่ต่างๆเลยคะเนื่องจากเราเจอภาวะที่คนแฝงตัดป่าตัดป่าไม่ม่ขานะคะเพราะนั้นบริเวณันก็ให้งเลยทั้งหมดแต่ตอนนี้ค่ะด้วยการที่เรารรงคเชิญชวนคนมะสร้าง่ายชอนาวันนี้เราัเป็นท่ามกามถุนสมบูรณ์ขอฝ่าเขาอีกข้างนึ่งนะคะแล้วก็เรื่เชิญชวนคนในในโรงงานของเราใครที่จะสอนเกิดอแทที่เราวันนี้เราจะไปเที่ยวผักกันไปดืมกันนะคะ เราสร้าง่อเกิดกันกอนนะคะก็จะมีสายรอเกิดสายร่น้องนะคะจนทาให้เราสามารถที่จะทาให้ปากเขารอโรงงานเราตัดเราอุสมบูรณ์ทางหนึงนะคะทีนี้อันนี้คือทิสทันของของเรานะคะซึ่งน่าจะเป็นป้งหายสูงสุดเป็นสิ่งที่คนเอทุกคนเนี่ยมีหลักคิดและต้อบรูนะคะที่ส่แบน้นะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่า น่าจะเป็นรายละเอียดมากกว่านี้นะก็คือต้นราคาเอเกินสิ่งที่จะน่ารายละเอียดวนี้ก็คือหน้านี้อีกก็น่าจะเป็นกังวลในในเป็นหลักปฏิบัติของปสสจนะคะซึ่งเรียกว่าเรามีอุดมการณ์สีข้อนะคะอุดมการณ์สีข้อนี้ถ้าเทียบก็น่าจะ ประมาณคล้ายๆว่าเป็นหลักปฏิบัติของกฎ S4 ในหลักปฏิบัติของการเว้นคำาอีิทธแบ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ S4 ก็ต้องเพิ่มอีกสีข้อก็คือเรามองเรื่องตั้งนั่นความเป็นธารก็คือเราเราให้ความเป็นทารมกับกับลูกค้ากับผู้ทำงานกับพนักงากับลูกค้านะคะกับผู้ถือหุ้นนั้นเราต้องทาสินค้าที่เป็นธรรมดูลน้องแบบเป็นธรร ถดงล้วจะรับกฎเข้าทำงานเราก็ต้องรักฎอย่างเป็นธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นกฎไอก็จะเริ่มจากการว่าจะสมัครเข้าเป็นคนที่เอก็เริ่มจากเ 2.7 ก่อนนะคะแล้วก็ไปสอนทุกสายเกิดให้ได้ในคะนนที่กำหนดเพื่อทรื่งทำงานในปเศไทยและทำงานในต่างประเทศได้ด้วยนะคะเรามีข้อหนึงก็คือขั้นหน้าในความเป็นเลิศขั้นมาในความ็น e ลิศความเป็นเนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนทำโติที่จะพัฒนา เพื่ออะไรคะเพื่อจะทำสินค้าและบริการออกมาที่ไม่ว่าเป็นนวตกรรไหนตอบสนองผูกค้าและวก็ทำให้บริษัทเราแข็งขแกร่งกับคนอื่นนะคะเรามีความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเราเชื่อว่าคนทุกคนมีคุณค่าดังนั้นเราจะรุ่งพัฒนาไปอยู่เสมอเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อองค์กรและก็ต่อสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถือมั่นในความรับชอบต่อสังคมคนเอเชทุกคน ต้องมีจิตอาะก็คือเราเปิดโอกาสให้รัฐาเนี่ยสามารถที่จะไปทําจิตอาสาได้โดยที่เสด็จโครงการเข้ามากับองค์กรรวมกลุ่มกันแล้วก็เสด็จโครงการเข้ามาเอ่อรัานี่ใช้แรงงานทำค่ะแต่องค์กรจะมอบเงินบางส่วนให้รัฐาเนีย like ่ยไปทำนะคะเพื่อที่จะตอบสนองข้อนี้ค่ะก็คือถือวาเป็นของมรับผิชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นคนเอชซีทุกคนทุกปีจะได้ความโครงการแบบนี้ ที่พี่ว่าเป็นโครงการที่พาสดใจเป็นโครงการครอบครัวเขานะคะนั่นเป็นอีกสอข้อค่ะก็คือคําว่าโ e เพ่นแล l ชอล์อันนี้ก็ไม่รู้จะทำเป็นภาษาไทยได้ยังไงนะคะก็เลยใช้คำเป็นคำภาษาภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือโอเพ่เนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราสร้างคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะแน่นอนมันก็จะมีอีกกลค่นึมาคือางก็อาจจะหลงตัวเอง มันก็อาจจะคนไม่ฟังใครนะคะนั่นสิ่งที่เราเตือนเก็นสยู่เสมอคือเตือนอยากให้คนโฟกัสกคือรับฟังความคิดคเห็นของคนอื่นแม้ว่าความคิดเห็นเหล่านี้ค่ะมันจะขัดกับความคิดเห็นของเราแล้วดยเฉพาะอย่างยี่เราต้องรับฟังลูกค้าเพื่อเราจะได้ตอวจสอบลูกค้าได้ตรงตามความต้องการลูกค้านะคะอีกอันหนึ่งก็คือคำ ว, ว่า challenge การทำธุรกิจในโลกทุกวนี้ไม่ง่ายยากมากๆแต่ข้อกำเนิดของ SCC ก็คือว่า เรามไม่ได้ทำเป็นธรรมเราไม่ทำธุรกิจที่เรียกได้ว่ามีการคอรัปชันหรือมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการคอรัปชันอย่างเช่น เ, เราไม่ทาธุรกิจสัญญาา ร, รเราขายของอย่างเดียวนแต่เราไม่ไปประกวดราคาที่จะสร้างถนสนสร้างสะพานด้วยเราไม่ทําำ น, นะนั่นเราตัดวงจรที่จะเกิดการคอรัปชันออกมาเลยนะะฉนั้นการทําธุรกิจที่ในสังคมที่ เหมือนกับว่าการคาราเเรื่องปกตินะองว่ายม่ะแต่เรายากมุ่งมั่นที่จะสินีแล้วส่งเสริมให้คนเรามีจุดยืนยืนหยัดต่อสินี้นะก็คือความเชื่อสันตินะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยมีคู่แข่งมามายเข้ามาในธุริของเราซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้มีมูจินเข้ามานะคะมูจินทำเซรามิกขายด้วยเรื่องถูกมากๆค่บางทีเขาก็สายคะแนนถูก แต่คนเอซีจีเราค่ายค่าอไเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคําอย่เราจะขายสินค้าไดในราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ให้กับผู้ค้าได้สินที่ดีอันนี้เป็นสิ่งรียกว่ามีความค้ายที่ยั่งยนที่เราต้องทำต่อไปนะคะนี้ก็เป็นมุมมองของคนเอซนะคะที่เราสร้างกระบวนทัและกระบดแบนี้ให้กับบ ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของของค์กรภาคเอกชนนะคะที่เกรื่องธุรกิจแต่ว่าธุรกิจเนี่ยคือไม่ใช่กาไรอย่างเดียวแต่ว่าธุารกิจต้องมาด้วยคนที่มีคุณธรรมด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรากาลังคุยกันอยู่ในวันนี้เนี่ยนะคะเพราี่ว่าเวลาของเราในช่วงแ้าค่อนข้างจะกระชับนิดนึงนะคะก็เลยจะขออนุญาตทั้ง4ท่านนะคะได้ให้มุมมองตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทีนี้ถ้าเราจะต้องการสร้างระบบค้า เราก็แบบทีตนี้เนี่ยให้ขยายไปสู่วงกว้างหรือว่าจะนำไปใช้ในชุมชนในองค์กรของแต่ท่านเองเนี่ยคะท่านคิดว่าในทางการสร้างจะต้องทาอย่างไรบ้างก็อาจจะมีเวลาให้แต่ละท่านประมาณคนละสองนาทีเท่านั้นเองก็ขอให้ด้วยนะคะเนเชิญท่านยค่ะในเรื่องของของที่ผมูอยู่ในารบิากาตรงนี้ผมใชหักความรับผิดบในทางบริหารจัด การกถ้าเกิดมีความความผูกสายการมีวนร่วมกันต่างๆยิ่งถ้าเองพันาเจ้าีด้วยเี่ยเราโดยกฎหที่ในหู่เรียนนะครับว่าอะไรจะคนดีคนเก่คนสาคัญในที่เขาช่วยกันแล้วสิ่กนั้นเี่ยเรามองถยู่ที่น้องปราท่ว้านอะไที่ม day, ko to to ังเป็นประโยชน์อะไรที่มัเป็นโทษเรา ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการข้อมูลไซใ์นะครับและให้เกิดการตรวจคุ้มกันที่สองจะชน ส, สิ่งี่ตา ม, มาก็คือในเรื่องขอ ง, ของคุณค่าความยุติธรนะครับในเรื่องของความรัก ค, ความสวัสดิ์ีคาเพื่อยก่อนตรงนี้เป็นะจุดเด่นของของคนไทยส่วนหนึ่นงก็ต้องขอบปรุกนางวิทยกรนะครับว่าให้มาผู้ใหญนท่านนี้นะครับขอบคุณคร ค่ะประอบุณท่านนายกนะคะที่สดคัญก็คือผู้นำเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำที่มีครามพิบัตก่อนบบกกับการสร้างความเข่นแข็งกำเนิดราคาที่าเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะทางท่านกำ น, น, นันถ้าจะรณรงค์ให้ค น, นมีคุณธรรมห้าเรื่องนี้นะคะคิดว่าจะทำอะไรต่อไปคะค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ท่าซื่อสาสุจริตเนี่ยผลมันก็จะออกมาในเรื่องของจิตสาธารณะที่เราได้ทำกลัดไปเพราะฉะนั้นทำเพื่อส่วนรวมก็จะไม่หวังผลตอบแทนค่ะซึ่งบางทีจะต้องเน้นเสริมให้กับเยาวชนนะคะเพราะบางทีต้องปลูจิตสมดุให้เขารู้สึกว่าทําเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นการทําเพื่อส่วนรวมปุ๊บเนี่ยมันจะมองถึงตัวุคคลของเราว่า ถ้าเราทเรื่องส่วนจะไม่ถึงประโยชน์ส่วนตนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพีณะคะย้ายปตนี้เราว่าจะกับเรื่องหน้าแบบนี้ต่อไปในปาห์น้าเนแกงไบ้างค่ะก็ต้องบอนว่าสิ่งี้องเน้นก็คือเรื่องความสุขสันเช่นกันะคะเพราะว่าใน่วนี้ก็มีน้องใหม่มาเข้ามาอีกเสมแล้วก็บางทีน้องใหม่ก็อาจจะไม่ด้ต้จ่าหรือว่ามีจุดเดือที่มั่นคงเพราะฉนั้นเีสิ่งรื่เราทำใน มีการเผยแพร่เรื่องนะโดยที่ความเป็นแนวปฏิบัตินะเป็นข้อข้อไปให้กับคนของเราแล้วก็เป็นแคสตารเช่นว่าอย่างเช่นเราจะเรยกว่ามาสนาข้งอก่ค่ะแล้วเราจัฉลากได้รางวัลขึ้นมาเียค่ะเราจะทําไงกับรางวัลนี้เราเป็นของตัวเองได้หหรือเราจะต้องเอามาเป็นส่วนตัวนะฮะที่สิ่งเรล่านี้นเป็นระเอียดไม่น้อยที่ป็นแนวปฏิบัติเราจะนำเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเป็นเราเรียกว่เป็นแคส เป็นเ s สเป็นข้อสอบของนักงานนะคะซึ่งเราจะสอบเปนอย่างนี้ค่ะรูปรูปไตรมาสนะคะรูปไตรมาสข้อสอบมีสข้อค่ะถ้าถามว่าสอบสอบสิบข้อี้ค่ะสอบไหนคะสอบไหนอยงนี้นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติต่างๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าเราอยู่โรงงานหรือคนมาเรียนว่ามีน้ำเสียป่อยลงหน้าจากโรงงานเราหรือเปล่าเราจะทำยังไงนะคะ เราหลายคนก็ทำงานเราเห็นว่าคริชไอเซนเราจะจัดการยังไงในเรื่อพวานี้ค่ะเป็นเราแบบที่เราเผยแพร่ในกลุ่มของคนเอชซีแล้วก็นองจากนี้เรายังมีระบบที่เราียกว่าวิชั่วโบอก็จจัดปอดต้องดีนะคะก็คือถ้าหาว่าเวลาที่หัวหน้าเห็นความคิดเราอาจจะขับข้ามันนี้ได้แต่ถ้าหาว่ารุ่นองนะคะเห็นหัวหน้าอาจจะมีเกาะแสว่าอาจจะมีกลิ่นอการทสิ่งจะทาอร เราจะมีช่องทางให้คัไอซีเนี่ยค่ะส่งเบแสเรานี่ะคะไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ผู้จัดการเป็นผู้ที่ส่งเรื่องมาสอบสวนโดยที่ให้ความป็นทั้งสฝ่ายทั้งคนที่ถูกกล่าหาและที่แจ้งเบาะแสเพื่อให้องค์กรเราเนี่ยยังคงความเป็นความซื่อสัตย์สุจริตในตลาดตัวในะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือว่าเรามีระบบการเรียนรู้นะคะ ของตัวเสีจเสีอนี่นะคะตั้งแต่วันแรกของการเรยนานกานสมมติว่าน้องเข้ามาีนนักงานแล้วได้เยคะเราจะมีระบบกันฝึกอบรม30วันที่1เดือนก่อนที่จะเิ่มทงานใน1เดือนนะคะวิชาแรกที่เราสอนคือวิชาดูการส oh ีนะคะวิชาพุณธรรมครูแรกที่สอนคืออาจารย์ชัยิาร์จะสอนเรื่องนี้อะไรคะเพื่อให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นสีสาคัญที่คนเอสซี่อ ในงานการทำสิภค้าผิดก็แก้ไขกันได้แต่ผู้ฉีดนะคะเราไม่ยอมเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรก็จะมีการฝึกอบรมมือสมัครเลนะคะจนขึ้นมาในระดับขึ้นมาเป็นกัวหน้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็จะมีการฝึกอบรมในระดับการเราไม่ไฝึกอบรมเฉพาะการทำผว้ฉีดที่เห็สิ่งที่เราฝึกอบรมควบคอะไรก็คือการทําให้เขามีความเป็นเดอรชีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะ ตดอย่างห่งที่เราได้รํบาให้ธตาจากรัชารผู้บัญิีนะคะท่านได้คุณาศนธรรมให้ผู้บริหารของอซได้ฟังทุกใจบ้างแล้วก็ชดิมนรัชการที่สถนิต่างๆที่ว่าต่างๆมาเนธรรมให้พวกเราเพื่อที่จะดึนพวกเราให้พวกเราฉุดกถ้าเราต้องรจาจเรื่องความฟังยนกิจารนะคะก็จะมีระบบต่างอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นระบบที่เรียนเราได้ว่าเรา สร้งะบบขึ้นมาสร้างหลักการสร้างแนวคิดแล้วก็หาข้อลงไป P C E เราตเวลานะคะว่าอันไเขทำได้ดีกว่าอันไหนไม่ได้ผลก็แก้ไขนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าอาจจะฝากไว้ได้ก็คือว่าเราเรีมอว่าแนวคิดเหล่านี้ที่เราได้ดําเนินการในองค์กรนะคะอย่างไรที่จะเผยดพร่ไปให้ก่ซึ่งอางนี้เราเรียกทางโดยการที่รักนักศึกษาตุนยา ในแต่ละปีเราันกาลหลายรคนค่ะนักศึกษาเหนี้ที่มาศึกษากับเราเนี่ยค่ะไม่ได้สึกแค่ความเก่งในโุรกิจแต่สุดเรื่องของพื้นฐานของภามเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ความื่อสิิ์สิิ์ด้วยซึ่งไม่ว่านักศึกษาคนจะรทนหรือไม่นะคะเราก็เชื่อว่าน้องๆเหล่านี้ะคะจะเป็นบัทดีที่ทาให้คนไทยของเรานะคะสามารถที่จะเป็น พัฒนาปรับปรุงเด่นแต่ด้วยคนที่เหมาะสมกับโลกยุคนี้และก็โลกแห่งอนาคตแบนี้ที่จะทำได้ก่อการค่ะขอบคุณผ้ถ่าคทีที่ดี d ก็ทำหลายอย่างนะคะที่นี่นะสมนไรองให้เราได้เห็นภาพในเรื่เืองที่เ c d ได้ทำอยู่ในการกัอเครื่องระบบทบบนี้นะคะและสุดท้ายอยากจะขอกราบรักการะพระคุณเจ้าค่ะ ได้เผยแความนะคะว่าถ้าจะรณลงคปรณรค์ท่านเราก็แบบคิดทั้งหน้าประการนี้ต่อไปไหมค่ะพระคุณเจ้ามีคัะอย่านันไรบ้างคะขอเล่าประสบการณ์ที่ทำจะะะริงนะเนะี่าว่าเจ้าว่าวันปิรงสสาวาทที่เชิญพระผ่านพุทเนี่ยสมา็นเจ้าวา1มาสเอปีสิ่งที่ที่ยึดเป็นหลักคิดในการพัฒนาคือพัฒนาคนนั่นแหละ แต่เน่กว่าในฐานะที่เป็นเจ้าวาเราเราดูแลชุมชนรอบๆไม่ใช่ให้คนข้างวัดไม่เข้าวัดมีวิธีการโดยหลักกระบวนัน์สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนพัฒนาวัดซึ่งเวลาท่านพัฒนาอะไรกรตากต้องยึดหลักสาสาเรื่องเราเราเรียกย่อยๆว่าปววคือบ้านชุมชนแล้วก็วัดเป็นแกนกลาง แล้วก็รอนี่ก็บางทีเขานปแปลว่าโรงเรียนแต่มามองว่าระบบราชการทั้งหมดบ้านคือเอกนชนชุม ช, ชนอยู่ตรงนั้นแล้วก็วัดไม่ใช่เฉพาะที่วัดไปอยู่ไม่ใช่เฉพาะวัดในพุทธศาสนามีโปสฝรัง่งกุดีจีนศาสนาคริสติกันถัดออกไปเป็นมัสยิดกุดีขาวแล้วก็มีศาลเจ้าเกียรติคันเกศ ทุกวันนี้ท่านสนใจเราเปิดเข้าไปในเว็บเนี่ยพิมพ์คำว่าย่านกระดีจีมันจะให้รายละเอียดทั้งหมดแล้วเราอยู่กันยังไงทำงานกันมาอย่างไรเป็นที่ที่มาดูงานว่าทำไมชุมชน ส, สามศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็สี่ความเชื่อคื อ, เ, อเทราวาสมหายานคือศาลเจ้าอยู่ด้วยนอกจากวัดในเทราวาสเนี่ยคนในชุมชนที่ว่าเนี่ยมันมีหกชุมชน แล้วเขาอยู่กันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากอยู่กันตรงนั้นแหละมีโบสถ์ฟรังซานตาครูซ อ, อ, อยู่ตรงนั้นมาวัดปอยู่ในต่าง ต, ตั้งแต่ตรงนี้มาทีนี้พอจะมามาเป็นยอดหลักคิดคือทำพัฒนาด้วยกันหมดไม่แยกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มอะไรต่างๆ แ, แล้วเราเอาประธานชุมชนองชุมชนมารวมด้วยกันโชคดีตรงที่มันมีกระบวนการจาัดคณะสถาปัตย์ มิวิสวาตธรรมะเดืยุลาเนี่ยนะเขาเข้าไปเข้าไปช่วยช่วยเชื่อมประส า, าอนอาธมา ถ, ถือว่าเป็นภาค ร, ราชการเป็นภาคจุมจนที่ที่มันไม่ใช่ทางศาสนาที่ช่วยพาพวกเรามาพบกันเพราะฉะนั้นผู้นําศาสนาเดี๋ยวนี้ยเวล า, ามีงานที่วัดประยุูนแมแค่จัดอภิปรายที่วัดประยุูนในงานสงกรานหรืองานขโทษงานลอยกระทงเนี่ยบนเวทีเนี่ย จะมีเจ้าวาดวัดประยูนยมีเจ้าอธิการโบสานตะครุฑมีอิหมามมาขึ้นเวทีพูดด้วยกันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราทามานานแล้วเป็นศึกปีเพราะฉะนั้นนี่คือโบวรก่อนเสร็จแล้วมาถึงการที่เอาชุมชนเอาหลายๆฝ่ายมาเข้าทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะมีภาคธุรกิจมีมีกองทุนมหาศาลเนี่ยเข้าไปพร้อมที่จะครอบนำ เ, นเอาว่า บริษัททีร่ระดับรวยต้นๆของประเทศเ <c oughs> นี่ยอาจจะว่าสอตระกูลกันแล้วกันเนี่ยมองมาที่ชุมชนนี้แล้วตอนนี้ยอัตอมาก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาบอกว่าที่นี่เนี่ยเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวกระจิงนะแต่ไม่ใช่เชิงธุรกิจภาณิชย์ให้มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและคนอย่าเอาทุนเข้ามามากนะอย่ามาซื้อที่สร้างท้างสรรพสินค้าเพราะรถไฟใต้ดินมันจะมาโปรตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ย ชุมชนเราตกลงกันนะเราจะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาครอบงำชุมชนด้วยภาคธุรกิจเราเยืนยันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง ก, ก่อนเน้นคาว่าพอเพียง แ, แล้วแล้วทุกคนก็ฟังเสียงตมาแล้วตมาก็พูดกับพวกเจ้าของทุนทั้งหลายเพราะฉะนั้นมาช่วยก็ใหญ่มากนะนนไม่ใช่ว่าต้องเกรงใจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่เราตกลงกันในเรื่องพอเพียงเพื่อไม่ให้ มาทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนอันนี้เป็นฐานเรื่องที่สองมันก็มาเรื่องจิตสาธารณะจิตสาธารณะในวัดเราต้องต้องพูดตรงนี้เมื่อเราพัฒนาด้วยบวร์เนี่ยบางเออที่วัดจะมามีเจดีเก่ามาก เ, าเกือบสองร้อปีเราพัฒนาร่วมกันโดยระบบเนี้ยมาบูรณะเอาทุนนู้ว น, นี้มาร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยความเสียสละไม่มีเงินทอนนะเออ ได้อย่างดีเลยอานุนจริตมเข้ามาผลเพื่องไงรู้ไหมนอกจากได้รางวัลอนรุรักษก์สถาปัตยกรรมดีเด่นรับพระราชทานวัลจัดสรุปเทพแล้ในการบิรัษ์เนี่ยเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากองค์การยูเนสโกเป็นการอนรุรักษ์บุรณะแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้อวอร์ดออลเอ็กซ์แลนซสยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งการบรุรณะที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นพระราชวังเดิม ตลาดสามชุกร้อยปีทุกแข่งในประเทศไทยที่เคยได้มาอันดับ3กับอันดับฉบเฉยจนบัด น, นี้นะที่เราได้มาตั้งแต่ปี5 6ยังไม่มีรางวาัลดำตีอีกเลยเพราะมันได้ยากมันแข่งกันทั่วเอเชียแปซิฟิกแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดในไซต์เทชั่นเนี่ยที่ยูเนสโกบอกว่าก็คือหนึ่งนอกจากเทคนิคในการบุรณาณบีแล้วเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากชุมชนซึ่งมีหลากศาสนาอันนี้คือจุดเด่น ที่ประเทศอื่นแพ้เราตรงนี้เราได้รางวัลดับดิ่ตรงนี้ทีนี้เอากลับมาพอได้รางวัลยอดเยี่ยมดันดิ่งของยูเนสโกเขาเรียกเราดังแล้วเนี่ยนะอาตมาจะเตือนชุมชนวัดประยูนทั้งหมดว่าเราต้องรู้จักพอเพียงนะต้องสงบเสงี่ยมเลยเราอย่าไปเกยทับคริสต์อิสลามนะต้องถือว่าที่เราได้มาพวกเขามาร่วมมือกับเราเพราะฉะนั้นเราจะทําหน้าที่เป็นโฆลสพให้ใครมาชมวัดประยูนจากทั่วโลก อยากจะไปดูบทคลิปไปมัสยิดไปแล้วเดี๋ยวนี้ชาวคลิปมาเที่ยวโบทคลิปบาดล้มมาเขาจะโทรมาถึงวัดประยูน์ให้ฝ่ายเราไปต้อนรับเขามันจะเป็นเชื่อมโยงกันอย่างนี้เลยคือความพอเพียงจิตสาธารณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดไม่เกินความจริงนะถ้าไ ป, ไปดูได้เลยไปเยี่ยมมาได้เลยเสร็จแล้วอาตมาก็ไ อ, อ, อจิตสาธารณะเนี่ยมันก็คือการพัฒนาอาชีพด้วยย ก็คือจิตอาสาที่ว่าเนี่ยราจัดงานงานปีเนี่ยซึ่งคนมาเยอะมากโด่ยโดยพ่อลอยกระทงในฝั่งทนต้องยกให้วันไปอยู่นะเริ่มจากที่จัดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมท่านเสน่ห์ของมันอยู่ที่ชุมชนไปงานวัดไหนก็ได้ถ้าลงไปแต่วัดไปอยู่เนี่ยชุมชนหกชุมชนอาหารพิสซอิสลามมาวางขายแต่เขาสุจริตไม่ใช่มาขายชั่วเทาาแล้วก็คุณภาพาไปดีนะเขาทาอย่างดีมันเป็นสเสน่ห์ ขนมฝรั่งกุรีจีนเนี่ยเชิดหน้าชูตาเท้าทองกิบ ม, ม้าเป็นคนเริ่มไว้เนี่ยโปรตุเกสอ่ะท่านไปดูไม่ต้องไปอยุธยาหรอกมาดูฝรั่งขนมฝรั่งกุริจีนที่นี่ของจริงเลยแล้วเราก็ส่งเสริมอวัดประยูนจะมีหมูกระดาษหมูกระดาษที่เป็นเหมือนกับหมูอมสินเนี่ยนะทำเนื้อกระดาษ แ, แข็งมากเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเขาเข้ามาเนึ่ยและไม่มีที่ไหนทําอย่างมีคุณแล้วเขาสุจริตซื่อตรง และคุณภาพอาหารสินค้าอะไรต่างนี่เราเน้นย้ำต้องรับผิดชอบอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปมาขายกานวัดเล่ไปเรื่อยอย่างเช่นขายขนมจีนเห็นไคุณภาพไมดีเก่าอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเอาคือสิ่งที่ชาวบ้านทำได้คือวัดเนี่ยพอเพียงให้ชุมชนทั้งหกชุมชนมาขายของโดยเราไม่เช่นนั้นสาวันเจวันไม่คิดค่าใช้จ่ายเล ย, เยแล้วเราจัดระเบียบวิไหน โดยให้ในทุนทั้งหลายมาสร้างซุ้มให้เต็นท์สวยงามมากคุณมาลงทุนตรงนี้เขาก็ทำระเบียบให้อย่างดีนะวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายส่งเสริมอาชีพแล้วก็เอาทุนต่างเนี่ยเข้ามาพัฒนาหมูกรดานอะไรต่างๆมันในที่สุดนี่เราได้ใจชาวบ้านเราทำเสียซามะแบบนี้ตรงนันคืนกำไรวัดเราก็จะดูแลด้วยความุหดใหญ่แล้วแล้วใหม่ๆเนี่ยมันมีปัญหา ย, ยาเสพติดอะไรเราชุเชื่อมกับหน่วย รักษาความปลอดภัยตารวจต่างให้เขาเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ในชุมชนจะมาทุกเช้าจะได้ยินลําโพงประกาศเขาจะมีประกาศว่าทากิจกรรมอะไร อ, อะไรเนี่ยเขาภาคภูมิใจมันคือลักษณะสร้างความเข้มแข็งนะเอ็มเทอร์เมนต์นี่แหละพัฒนาคนให้ชุมชนเข้มแข็งและเราไม่เตียงกันไม่ได้แข่งขันระหว่งางศาสนาสุดจริตก็อยู่ตรงนั้นรับผิดชอบก็อยู่ตรงนั้นพื้นฐานทางจิตสาธนณะก็อยู่นะเพราะฉะนั้นพอเพียง วิญัยบ้างท่านลองคิดดูนะถ้าเราไม่มีวินัยในกาบพูดในการกระทำเนี่ยสามศาสนาตีกันเล็กเลยเราเราจะไม่ให้เกิดความแตกแยกมันไม่ใช่ว่าไม่ใหม่นี่คุมชนว่าปุะยนค่อนข้า ง, า ง, างจากก่างหน่อยน ะ, ะพวกภูมิหารากลยาอะไต่างเนี่ยอาตมาบอกไม่ได้นะเราต้องถือว่าเขาก็มาช่วยเรานะ อย่าไปเกทยทับใครทุกๆคนมีส่วนร่วมหมดอยู่กันอย่างมีวินัยไม่ได้หมายกับคำว่าก็จะกลางคื อ, อยังไงเนาะถืว่าเราขายของเนี่ยนะตั้งแต่ประตูเข้าลายเรียงไปในงานเนี่ยส่วนมากถ้าอยู่ใกล้ประตูจะขายได้ดีชุมชนที่อยู่ติดวัดประยูรจะขออภิสิทธิ์นะจะขอมาหยุดเลยตรงนี้เลยนะและชุดๆอื่นก็ไม่ต้อมีน้อยสิอธมาแบบต้องมีวินัยเราจับฉลากอย่างเดียวเนี่และไม่มีเส้นกับจเจ้าอาวาสนะเ <laughs> จ้าชัก คุณได้ตัง้งหลาอยางกันไปใหม่เขาก็งอนกันตอนหลังเขาเข้าใจแล้วเพราะพอทุกคนมีวินัยทุกคนเต็มใจเนี่ยคนมันจะมากันเยอะเองแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมมันจะเกิดและเดี๋ยวนี้ก็คือการประหนักตรงนี้สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ตั้งแต่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาหรือจิตาศาสนารวมถึงความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังแต่ผู้นําก็สําคัญบทบาทของผู้นําทางาศาสนาผู้นําชุมชน ทำร่วมกันอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดผลอย่างเพราะฉะนั้นที่พูดนี้ก็คือให้ท่านไปดูก็ได้แล้วถ้าถ้าท่านนั่งเนือกันคืนนะมันจะมีเจดีย์ของขาย้ไปที่เชิงสะพานพุทธนั่นแหละวัดไปอยู่ไปตรงนั้นแหละถ้าวัดให้ถูกด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างฝูงนะคะที่วันนี้ได้สายภาพแล้วก็ให้เราเห็นแนวทางของการสร้างระบบทะโยงต่างจิตที่สําคัญ5เรื่องนะคะรวมถึงทุนทรัพยากุด ทั้ง3ท่านด้วยนะคะแต่เขาตุนที่ท่านได้แจกสูงค่ะ